เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติและพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลำบากไม่ยากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมในแตก่อนคุณชอบเล่าวันนี้ในหมวดของธรรมศดิ์สิทธิ์อยากจะขอกล่าวถึงหลวงปูส่สีชันทศริวัดเขาท่าบุญนาอําอเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์พอดีผมเคยได้ยินที่อาจารย์เล่าให้ฟังเกี่ยวกับหลวงปู่ท่านนี้ว่าท่านได้รับยาวิเศษ ที่ทำให้ท่านมีอายุยืนผมเลยไปค้นดูอีกว่าท่านจะมีเรื่องราวอะไรที่ไม่เกี่ยวกับยายอีกไหมก็เลยไปพบกับประวัติของท่านคร่าวๆอันมีเรื่องเกี่ยวกับการทุ่งของท่านด้วยและก็ไม่ได้กล่าวถึงยาวิเศษผมเลยคิดว่าน่าจะนำมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ฟังได้โดยที่ไม่ต้องไปซ้ำใครเชิญรับฟังครับประวัติหลวงปู่ศรีฉันทสริชาติภูมิของท่านนั้นท่านเป็นชาวอาเภอรัตนะจังหวัดสุรินทร์ เกิดปีจอพุทธศักราช 2,392 ตรงกับสมัยของรัชกาลที่4ส่วนที่ว่าท่านเกิดวันเดือนใดนั้นท่านไม่เคยบอกเมื่ออายุได้21ปีท่านก็ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารเหมือนกับชายไทยทั่วไปต่อมาเมื่อปลดจากการเป็นทหารแล้วท่านก็มายึดอาชีพขาวัวขาควายและเป็นพรานอยู่แถวช่องแคตาคลีซึ่งแต่เดิมนั้นแถวนั้นยังมีสภาพเป็นป่าลุงดิบและเมื่อมีการบัญญัติให้ใช้นามสกุลขึ้น ตระกูลของท่านก็ใช้นามสกุลว่าดําริตามบันทึกชีวิตในวัยหนุ่มของท่านถือว่าท่านเป็นคนที่จริงจังไม่เกรงกลัวใครหลวงปู่ศรีท่านใช้ชีวิตความเป็นหนุ่มอยู่นานหลายปีจ่วนกระทั่งบังเกิดความเบื่อหน่ายทั้งโลกจึงได้ไปอุปสมบทโดยท่านบอกว่าท่านบวชที่วัดบ้านเศร้าอำเภอบ้านเศร้าหรืออำเภอบ้านมีในปัจจุบันโดยมีพระครูธรรมขันสุนทรเป็นพระอุปัชฌาย์ส่วนคู่สวดของท่านนั้นไม่ได้บอกว่ามีพระอาจารย์รูปใดบ้าง เมื่อบวชได้สักระยะหนึ่งท่านก็ได้เดินทางมาจำพรรษาอยู่ที่ถ้าเขาเสียบเขตอําเภอช่องแค่อาเภอตาคลีด้วยเป็นเพราะว่าก่อนบวชท่านเคยอยู่ในเขตนี้มาก่อนหลวงปู่ศรีชันทศรินอกจากว่าท่านจะอบรมสั่งสอนธรรมกับชาวบ้านตามทิศธุรกันดารตามป่าดงพงเขาเป็นกลุ่มชนที่ห่างไกลความเจริญซึ่งมีพระน้อยรูปที่จะเข้าไปอบรมสั่งสอนได้นั้นพระผู้คนนักบวชส่วนใหญ่ชอบที่จะอยู่ในทิ่นที่มีความเจริญทางวัตถุมากกว่าที่ท่านสอน นอกจากชาวบ้านทุ่งชาวบ้านป่าก็พวกเทพเทวาอารักษ์และพระเนนผู้ปฏิบัติธรรมหลวงปู่ท่านก็มีอุบายธรรมในการอบรมสั่งสอนอย่างลึกซึ้งท่านจะยกพระธุดงค์พระธรรมของพระพุทธองค์เป็นคําสอนเป็นผู้สืบทอดต่อเช่นการอบรมพระเนนในเรื่องของการเดินบินธบาติพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เดินบินธบาติเดินจงกรมเดินธุดงค์เป็นการรักษาสุขภาพร่างกายทําให้ไม่เมื่อยขบไม่หนาเวลาเดินท่านให้เดินอยู่อย่างสํารวม เดินอย่างมีสติเอาจิตไปจับอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเวลาเดินก็ให้แผ่เมตตาให้กับสับพสัตหรือไม่ก็ภาวนาบทใดบทหนึง่งเช่นสัมมาอรหังหรือพุทโธเวลาเข้าไปรับบาตรก็ให้มองพิจารณาในบาตรเพื่อไม่ให้สายตาต้องสอดสายเพื่อไม่ให้จิตปรุงแต่งการคิดปรุงแต่งย่อมเกิดขึ้นได้ทุกขณะจิตถ้าเอาตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รส แม้ไม่ได้สัมผัสจิตมันก็ปรุงแต่งจากสัญญาขึ้นมาได้เมื่อสัมผัสแล้วทำอย่างไรเมื่อจิตเกิดปรุงแต่งท่านก็ให้พิจารณาถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามความสวยที่สุดมันก็ไม่สวยได้ยามชราเนื้อหนังบางสามันก็เหี่ยวยน่นยามตายผิวมันก็จะบวมฉุ่มแตกปริเน่าเฟะทรงกิีนเหม็นแล้วยังจะสวยไหมท่านบอกไปทุกอย่างทุกทางแม้กระทั่งเจ้าความอยากในกา ร, รมคุณมันก็ยังเล็ดลอดออกไปได้ท่านก็สอนให้มีสติคอยระวังรักษาจิต คอยรู้เท่าทันอารมณ์กิเลสคําสอนของพุทธองค์นั้นแม้จะประเสริฐยอดยี่ยมอย่างไรทําไม่ปฏิบัติด้วยตนเองแล้วก็ยากที่จะพ้นทุกข์ได้ถึงเราจะประกอบอาชีพการงานอย่างไรก็ตามถ้าไม่ทาด้วยตัวเองอาศัยจมูกคนอื่นหายใจคอยแต่ใจะให้เขาทำให้มันก็จะไม่เกิดผลกก่ตนดังทําปฏิบัติที่จะทําให้เราพ้นทุกข์ได้นั้นก็ต้องรู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองจึงจะเกิดปัญญารู้แจ้งรู้ทางพ้นทุกข์นั้นด้วยตนเอง การตอบแทนคุณของพระพุทธองค์นั้นก็คือปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์นี่ก็คือข้อธรรมที่หลวงปู่ท่านแนะให้ปฏิบัติและเมื่อจะกล่าวถึงประสบการณ์ทุดงของท่านซึ่งมีอยู่มากมายแต่ก็จะขอยกมาสักหนึ่งตอนกล่าวคือในคืนวันหนึ่งขณะที่หลวงปูส่สีนั่งบําเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่นั้นเป็นเวลาที่ดึกสงัดประมาณสองยามเห็นจะได้จิตของท่านนั้นอยู่ในชั้นอุปปจจารสมาธิก็คือสมาธิอย่างอ่อน กำลังพิจารณาสังขารธรรมอยู่อย่างเพลิดเพลินจำเริญใจไม่ลดละความเพียรพรานทันใดนั้นก็ปรากฏภาพลิมิตขึ้นในห่วงสมาธิมีชายคนหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวได้เดินมาคุกเขา่าก้มลงกราบท่านแล้วก็พูดขึ้นว่านิมนหลวงพ่อย้ายกรดขึ้นไปอยู่บนเขาเสียเถิดคืนนี้จะมีน้ำป่าพัดเข้ามาที่นี่หลวงพ่อจะเป็นอันตรายถึงชีวิตกล่าวจบภาพนิมิตของเทวราผู้นั้นก็หายไป หลวงปู่ศรีท่านจึงได้อธิษฐานจิตขอบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระอรหันตสาวกทั้งหลายเพื่อขอตรวจดูเหตุการณ์ด้วยทิพยจักขุยานพลันก็ได้พบว่าไกลออกไปทางเหนือฝนกำลังตกหนักมากมืดครึ้มมีพายุและฟ้าแลบน่ากลัวมากเห็นน้ำป่ากำลังทะลักทลายลงมาจากภูเขาพัดพาถล่มต้นไม้ในป่าเสียงดังกึกก้องน่ากลัวมากกระแสน้ำป่านั้นกำลังพัดมาทางจุดที่ท่านกำลังบำเพ็ญเพียรอยู่อย่างแรงหลวงปู่รู้สึกประหลาดใจและขนสงสัย จึงถอยจิตออกมาจากสมาธิลืมตาขึ้นดูพบว่าบริเวณหุบเขาที่ท่านพักอยู่นั้นแสงเดินหายอย่างแจ่มจรัดอากาศก็เย็นสบายปลอดโปรง่งรื่นรมไม่มีเขาเมฆฝนอยู่ในท้องฟ้าเลยแต่เมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านไปสักชั่วอึดใจใหญ่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงอื้อเอิญดังมาจากเบื้องทิศเหนือเสียงนั้นน่ากลัวมากคล้ายเสียงรถไฟไหลายขบวนวิ่งแข่งกันเข้ามาในป่าไม่มีผิดทำให้ท่านแน่ใจทันทีว่าโอปติกะเทพเทวาปรากฏกายเข้ามาแจ้งเหตุในนิมิตนั้น บอกกล่าวเป็นความจริงและที่พระจักรคุยานของท่านก็เห็นภาพแน่ชัดไม่ใช่ภาพที่หลอนหลอกแต่อย่างใดเสียงอื้อเอิญนั้นเป็นเสียงของน้ําป่าห่าใหญ่กําลังพัดมาอย่างรวดเร็วรุนแรงอย่างแน่นอนนี่คือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลไม่มีใครห้ามมันได้เราผู้เป็นสมณะและผู้บําเพ็ญธรรมไม่บังควณที่จะกีดขวางทางธรรมชาติดําพึงเช่นนั้นและท่านก็ถอนกรดจัดแจงย้ายขึ้นไปอยู่บนเขาสูงให้พ้นอันตรายแต่จิตก็ไม่ได้มีความตื่นกลัว พอแบกกรดไ่บาข้างหนึ่งสะพายบาทอีกข้างแล้วท่านก็ออกเดินขึ้นเขาไปกระทำใจให้มั่นคงภาวนาไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนอะไรพระเสียงน้ำอื้ององนั้นยังอยู่อีกไกลคงมาไม่ถึงตัวท่านรวดเร็วเป็นแน่เดินภาวนาสักครู่ก็ขึ้นเขาสูงเมื่อท่านมองลงมาจากหน้าผาเห็นกระแสน้ำมื อ, อมาไหลกรากท่วมต้นไม้ใบหญ้าบริเวณที่ท่านนั่งภาวนาอยู่ในหุบเขานั้นกลายเป็นทะเลสาบไปหมดในพริบตา ช่าอัศจรรย์ใจในธรรมชาติที่งดงามแต่แฝงด้วยอันต ร, รายนานาประการพอรุ่งเช้าน้ําป่านั้นก็หายวับไปกับตานี่แหละธรรมชาติของน้ําป่าที่ว่ามาเร็วก็หายไปเร็วและถือว่าเป็นอันต ร, รายร้ายแรงอย่างน่ากลัวยิ่งนักหลวงปู่สีนั้นน่าพอมีบุญญาสูงถึงรอ่ตายมาได้ในครั้งนี้จะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวัเทวราช่วยชีวิตไว้ก็ให้น่าสงสัยเป็นอย่างมากจากพมา่าหลวงปู่ศีท่านก็ข้ามแม่น้ำโขงจาริกธุดงไปยังหลวงพระบาง รอนแรมอยู่ป่าดงอันหนาแน่นไปด้วยต้นไม้และขวากนาำเส้นทางธุรกันดาลยากลำบากวกไปเวียนมามองไปทางไหนก็มีแต่ป่ากับเขาที่สูงใหญ่เกิดความอ่อนล้าพระหลงทิศเดินไปทั้งวันก็วกกลับมาที่เดิมไม่น่าเชื่อประสัตตัวกระจจอยร้อยประเภทดูดเลือดเช่นฝูงท่าก็มากมายคอยมารบกวนให้ได้รับความลำคานตะวันยอแสงฉาบสีทองเ อ, อือาบขุนเขาสูงใหญ่เบื้องหน้า เป็นภาพที่สวยงามตะการตารากับสีมณีวิเศษอันมีสีต่างๆท่านรู้สึกชื่นชมธรรมชาติในยามใกล้สนธยาเบื้องหน้าจึงรุดตรงไปยังเชิงเขาเพื่อยึดเอาเขาลูกนี้เป็นที่พักแรมคืนภูมิภาพอันสวยงามเบื้องหน้าเงามหมู่ไม้ทอดยาวแสงสะท้อนจากกลุ่มเมฆสีขาวสลับซับซ้อนเบื้องบนเป็นสีระยับวับวาวทาให้หุบเขาแห่งนั้นเป็นสีรุง้งดังว่านเนรมิตไว้ฉะนั้น คำวันนั้นหลวงปู่ศรีท่านได้หยุดพักปักกรดที่เชิงเขาคูหาถ้ำอันกว้างขวางและสะอาดสะอา้านคล้ายกับมีคนมาคอยปัดกวาดเป็นประจำที่กใกล้ใก ก, กันก็มีทานนายยา่าน้ําใสเย็นไหลผ่านหลังจากลงส่งน้ําในลานําธารเป็นที่ชุ่มชื่นเย็นกายเย็นใจแล้วท่านก็กลับเข้ามาในถ้ำนั่งพักผ่อนอยู่พักหนึ่งต่อจากนั้นจึงนั่งภาวนาด้วยพุโทโธเป็นวัดปกติอยู่เสมอแสงเดือนกระจ่างนวลสาดเข้ามาในถ้ำ กระแสลมที่พัดอยู่รวยรินทําให้สุดชื่นเย็นสบายใจบรรยากาศภูมิประเทศก็สงบเงียบบังเวงวิเวกเหมาะสําหรับบําเพ็ญสมณธรรมพิจารณาขันทั้ง5้าด้วยประการทั้งปวงเวลาผ่านไปอย่างสม่ําเสมอท่านจึงถอนจิตออกจากสมาธิเปลี่ยนมาเดินจงกรมที่บริเวณหน้าถ้ำถ้ากลางแสงเดือนอันกระจ่างสว่างพราวเหมือนกลางวันแล้วก็มีเสียงกระหึ่งร้องดังขึ้นสนันวันไหวเสียงร้องรับกันทางโน้นทีทั้ทงนี้ที แสดงว่ามีเสือออกหากินในยามราตรีเสียงร้องของมันนั้นทําให้ป่าที่วงเวงด้วยเสียงจักจกั่นเดรรที่ร้องในงมเงียบไปหมดสิ้นเหมือนดังต้องมนต์อาถรรพ์หลวงปู่มไม่ได้นึกเกรงกลัวแต่อย่างใดเพราะถือว่าสัตว์ป่าก็ออกหากินไปตามประสา ข, ของมันท่านคงเดินจงกรมไปตามปกติด้วยอิริยาบถสม่ําเสมอมีมหาสิทธิปัจฐานเป็นหลักคอยควบคุมกายและใจอยู่ตลอดเวลานั้นก็ไม่วอกแวกเสียงเสือขานรับกันคำรามใกล้เข้ามาทุกที แล้วในที่สุดเสียงกระหึ่มที่ร้องนั้นก็เงียบหายไปท่านเดินจงกรมกลับไปกลับมาอยู่พักใหญ่รู้สึกเฉลียวใจว่ามีอะไรผิดปกติข้างทางที่เดินจงกรมจึงได้ชำเลืองมองไปพรานก็ได้เห็นเสือโครงตัวใหญ่มากตัวใหญ่เกือบเท่าม้าล่าพีสองตัวกำลังจ้องมองท่านอยู่อย่างเงียบๆท่านรู้สึกสงสัยว่ามันไปยืนจ้องท่านอยู่เช่นนี้เพื่อต้องการอะไรหนอถ้ามันต้องการจะจับตะครุบท่านกินมันน่าจะทําไปแล้ว ไม่ได้จะพากันจ้องมองโดยแม่กระดิกตัวเช่นนี้เลยดูๆไปแล้วก็น่ารักน่าสงสารสวยงามสง่าขณะนั้นในจิตของท่านมีแต่เมตตาพอท่านคิดเช่นนี้พรานทันใดนั้นเสือใหญ่ทั้งสองตัวก็ส่งเสียงร้องครืญขึ้นมาพร้อมๆกันดังสนั่นหวั่นไหวไปหมดจนแก้วหูอื้อเมื่อได้ยินเสียงคำรามดังขึ้นพร้อมๆกันเช่นนั้นท่านก็คิดในใจว่าชัลอยมันคงจะพูดบอกความในใจกับท่านอันเป็นภาษาของมันกระมัง พอท่านคิดเช่นนั้นมันก็พากันส่งเสียงร้องสนันขึ้นมาอีกครั้งจนสะเทือนไปทั่วทั้งป่าหลวงปู่ศรีคงเดินจงกรมผ่านหน้ามันไปมาเป็นปกติมันก็ไม่ได้ทําอะไรได้แต่จ้องมองดูความเคลื่อนไหวของท่านอย่างเงียบๆอยู่เป็นเวลานานและพวกมันก็พากันถอยห่างเดินหนีไปในป่าคงทิ้งไว้แต่ความเงียบสงบดังเดิมหลวงปู่ศรีที่บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่ภาคเหนือพามา่าหลวงพระบางและตัดงดัดเลาะข้ามฝั่งลําแม่น้ําโขงตัดเข้าอีสานของประเทศไทย เป็นเวลานานถึง9ปีตลอด9ปีนั้นท่านจาริกไปตามสถานที่ต่างๆนับไม่ถ้วนหลังจากท่านบรรลุ ธ, ธรรมอันวิเศษจึงปรากฏว่าค่อยมีพระลุกสิษย์เพิ่มมากขึ้นพระลุกสิทธิ์ทั้งหลายที่บุกบั่นรอนแรมเข้าป่าดงไปหาหลวงปู่ศีนั้นท่านจะให้อยู่กับท่านไม่นานนักแล้วท่านก็จะสั่งให้แยกย้ายกันออกไปหาที่วิเวกตามสถานที่ต่างๆเพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนามุ่งทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานท่านให้พักตามถ้าบ้างตามชายเขาบ้างและยอดเขาบ้าง การขบฉันอาหารก็ให้ออกบินทบาดไปตามหมู่บ้านชาวป่าชาวเขาบางทั้ง7จถึงแวันถึงได้ออกบินทบาดกันทีประมุ่แต่เพลิดเพลิเนเจริญสมาธิวิปัสสนาจนลืมวันและเวลาแต่ก็ไม่ปรากฏว่าหิวโหวยหรืออ่อนเพลียเจ็บไข้ได้ป่วยแต่อย่างใดพราะจิตสงเคราะห์ที่มีความสุขชุ่มชื่นเย็นใจเย็นกายด้วยอํานาจบา ร, รมีธรรมมีพระลูกศิษย์ของท่านบางองค์มีอํานาจจิตแก่กล้าบา ร, รมีสูงทรงอภิญญาหก สามารถทรงตัวอยู่ในสมาธิวิปัสสนาได้เป็นเวลานานถึงสเดือนก็มีโดยที่ไม่ขบฉันอาหารอะไรเลยนอกจากฉันแต่น้ําอย่างเดียวนับว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์พระธุดงค์กรรมาฐานสิทธิหลวงปู่สีนั้นล้วนเป็นผู้เด็ดเดี่ยวอดอาหารมากเที่แสวงหาธรรมกันในป่าในเขาและถิ่นอันตรายแบบเอาชีวิตเข้าแลกจริงๆไม่อะไรชีวิตยิ่งกว่าธรรมที่ใดมีเสือมีอํานาจเร้นลับน่าสะพึงกลัวหลวงปู่สีจะสั่งให้พระไปที่นั่น พระเป็นสถานที่ที่จะช่วยกระตุ้นเตือนสติปัญญาให้ไม่นิ่งนอนใจความเพียรก็จำต้องติดต่อกันไปเองและเป็นเครื่องหนุนใจให้มีกำลังขึ้นอย่างรวดเร็วกับปกติที่ควรจะเป็นท่านเองก็บำเพ็ญสุขวิหารธรรมอยู่โดดเดียวในป่าในเขาอันชุกชุมด้วยสัตว์ร้ายสงบเงียบสงัดปราศจากผู้คนทั้งกลางวันและกลางคืนการติดต่อกับผู้กายทิพย์เช่นเทวบุตรเทวธิดาอินพรหมพญานาคและผู้ผีที่มาจากที่ต่างๆนั้น ท่านถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องที่มีจริงเป็นเรื่องลี้ลับพิสดารที่พระธุดงกรรมาฐานเท่านั้นที่จะผ่านพบรู้เห็นได้หรือวิสัยที่จะพูดหรืออธิบายให้บุตรชนชาวบ้านเข้าใจได้เพราะปุตุชนชาวบ้านทั่วไปมีความช่างสงสัยเป็นนิสัยชาวบ้านนั้นศึกษาเรียนรู้ช่างจดช่างจําช่างสงสยัยหมายรู้เอาด้วยทางวัตถุสิ่งมีตัวตนที่จับต้องได้มองเห็นได้แต่ทางพระนั้นศึกษาเรียนรู้ทางจิตที่ไม่ใช่วัตถุ การรู้เห็นทางจิตจึงเป็นการรู้เห็นด้วยสติปัญญานามารมดังนั้นการรู้เห็นของพระและชาวบ้านจึงต่างกันหลวงปู่สีท่านมีการติดต่อกับผู้กายทิพย์จากโลกวิญญาณเช่นเดียวกับที่มนุษย์ติดต่อกันไปมาหาสู่กันกับมนุษยชาติพันธ์ต่างๆที่เข้าใจถึงภาษากันนั่นเองพระท่านชำนาญในทางนี้มานานแล้วการพบเห็นผู้วิญญาณของท่านไม่ใช่สิ่งลวงตาลวงใจหรือเป็นเพียงภาพมายา หาเป็นเรื่องจริงที่ท่านพิสูจน์เห็นแท้แน่นอนในทุกแง่ทุกมุมไม่มีผิดพลาดท่านพักอยู่ในป่าในเขาโดยมากก็ได้ทําประโยชน์โปรสัตต์อบรมสั่งสอนข้ออัตธรรมแก่กายทิพย์และภูมิแต่ละชั้นตามภูมิปัญญาให้เขาเหล่านั้นได้ทราบซึ้งในอัตธรรมพวกชาวป่าชาวเขาพผาตา่ต่างๆเช่นอีกอ็ขมุมูเซ่แมวเยาว้าเหล่านี้นับถือพีสารนางไม้หลวงปู่สีได้แผ่ธรรมะเข้าไปถึงจิตใจของพวกเขาทําให้เขาเหล่านั้นเริ่มใส่เคารพท่านมาก ทั้งทำให้ชาวป่าชาวเขานั้นเป็นคนดีมีสัตว์มีศีลหันมานับถือพระพุทธศาสนากันอย่างกว้างขวางหลวงปู่สีฉันทศริบรณะภาพเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2520สิริอายุ128ปี8 9พ0 0ปาครับก็ขอจบประวัติของท่านแบบคร่าวๆลงเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าทุกท่านที่ได้ฟังคงจะได้รับข้อทําดีๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ ขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ